อย่าเถียงกันเรื่องสมาธิในคัมภีร์นี้ท่านกล่าวหลักฐานอ้างเอาไว้หมดซึ่งมาพิจารณาดูแล้วนักปฏิบัติในปัจจุบันไม่น่าจะเถียงกันช่างทอหูกฝึกสติทอหูกเสร็จได้สําเร็จอารหารันช่างปั้นหมอ้อฝึกสติไปกับการปั้นหมอ้อปั้นหม้อเสร็จได้สําเร็จอารหารันช่างถากไม้พอถากไม้เสร็จ ได้สำเร็จอารหันมันก็มีตัวอย่างอยู่ถมเถไปทีนี้หลวงพ่อหลวงพี่สมัยนี้มาเถียงกันพุทโธสัมมาอารหังยุบหนอพองหนออยู่นี่มันไปไม่ถึงไหนหรอกหลวงพ่อจึงกล้ากล่าวได้ว่าถ้าหากว่านักสมาธิคนใดยังไปตำหนิโจมตีลัทธิของคนอื่นแสดงว่าภาวนาไม่เป็นโดยหลักธรรมชาติของการปฏิบัติสมาธิ คือทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้เราไปทำมาค้าขายเรามีสติไปสอนเด็กเรามีสติเคยสังเกตไหมเวลาเราไปพูดเริ่มต้นพูดทีแรกทีแรกเราใช้ความคิดใช่ไหมละ่ะบางทีเราก็อาจจะชะลอเวลาด้วยการครางออกมาท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายเออข้าพเจ้าจะ เปะตะกะถาเรื่องเอ อ, อันนี้คือชะลอยเวลาใช้ความคิดทีนี้พอสำรวมจิตพูดไปพูดไปพูดไปสมาธิมันเกิดหลังจากนั้นไม่มีเออแล้วพอพูดจบประโยคนี้ปับ๊บประโยคใหม่มันขึ้นมาแทนนั่นคือสมาธิและมันเป็นสมาธิปัญญาด้วย